มีนกชนิดหนึ่งนะฉลาดมากแต่ไม่ได้ฉลาดเฉยๆนะฉลาดแกมโกงด้วยบางคนอาจนึกถึงกานะแต่ไม่ใช่นะที่กำลังพูดนี่หมายถึงนกกาเว่านะนกก า, วาเวนี่เวลามันวางไข่เนี่ยมันวางเสร็จ น, นี่มันไม่อยอกฟักไข่เองนะซึ่งก็หมายความว่าเวลาไข่เนี่ยนะ นกเนี่ยฟักเป็นตัวเนี่ยมันก็ไม่ต้องเลี้ยงนะเพราะว่ามันจะหลอกให้นกตัวอื่นเนี่ยฟักไข่แทนแล้วก็เลี้ยงลูกของมันให้ด้วยเลี้ยงไม่พอนะช่วยปกปักรักษาลูกของมันให้ปลอดภัยก็เรียกว่าสามารถแพร่พันได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงอะไรเลย ว่ามันฉลาดก็เพราะว่ามันจะเลือกจังหวะเวลานะที่ลกตัวอื่นเนี่ยซึ่งกำลังฟักไข่อยู่เนี่ยเผลอไม่อยู่อาจจะออกไปหากินมันก็แวบบเข้ามาเลยแล้วก็วางไข่แล้วไข่ที่วางนะก็จะมีขนาดมีสีมีลวดลายนี่เหมือนกับไข่ของเดิมนะ ที่วางอยู่นะนกที่เป็นเจ้าของรังเนี่ยนะกลับมาเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ออกเลยนะว่ามีไข่ของนกกาวาวเนี่ยป่าปนอยู่ด้วยมันก็นึกว่านกมันก็นึกว่าไข่ของนกกาวาวเนี่ยเป็นของมันแล้วมันก็ฟักจนเป็นตัว พอลูกน้งเนี่ยออกมานี่นะลูกน้งนี่มันก็มีนิสัยเหมือนแม่เลยนะแม่ตัวจริงนะมันก็จะหาทางกําจัดไข่ฟองอื่นๆเพราะปกติที่มันจะฟักเป็นตัวได้เร็วกว่ามันก็จะกําจัดนะไข่ฟองอื่นๆนะอาจจะผลักออกไปให้ตกจากลังนะจนเหลือมันตัวเดียว นั่นก็ไปว่าไม่มีคู่แข่งแม่นกเนี่ยนะซึ่งนึกว่ากาวาวเนี่ยเป็นลูกของมันเนี่ยก็จะเลี้ยงดูอย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าเหลือลูกแค่ตัวเดียวหาอาหารมาให้จนลูกนกกาวหวนี่ลูกนกกาวาวนี่โตนะบางทีโตกว่าแม่ของมันอนก่นะหรือว่าโตกว่าแม่เลี้ยงนะ แม่เลี้ยงนี่ก็ถือว่ากาหวังนี่เป็นลูกของมั น, นก็เลี้ยงเต็มที่เลยจนบางทีเนี่ยลูกนกเนี่ยนะตัวโตกับแม่นี่สองเท่าสามเท่านะก็ยังอุตส่าห์ไปห so าไส้เดือนมาเลี้ยงมาใส่ปากหยอดใส่ปากลูกมันมีคลิปวิดีโอนะที่มีนกตัวเล็ก เ, เนี่ยนะ เอาอาหารมาเลี้ยงนกตัวใหญ่ๆแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยนะกำลังตอบแทนแม่นะลูกนี่ก็ตันยูมากเลยนะกำลังตอบแทนแม่หาอาหารมาเลี้ยงแม่จริงต้องข้ามนะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยคือลูกนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยคือแม่นะแต่ว่าคนละพันกันนะ มันไม่ใช่ว่าลูกเลี้ยงแม่นะแม่เลี้ยงลูกนะโดยคิดว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆแต่ไม่ใช่นะเป็นลูกของนกตัวอื่นซึ่งมันเข้าใจผิดว่าเป็นลูกของมันก็เลยเลี้ยงใหญ่เลยนะคนไปเข้าใจผิดว่านี่ลูกกำลังเลี้ยงแม่นะไม่ใช่นะแม่กำลังเลี้ยงลูกของ ใครก็ไม่รู้นะแต่ก็ดีนะอย่างน้อยก็มีความเมตตาอันนี้ก็จึงเรียกว่าเนี่ยกาวาวานี่มันเป็นนกที่ฉลาดแล้วก็ฉลาดแกมโกงมากาคนเราดูก็ได้บทเรียนแบบนี้หลายแง่นะแต่ในแง่หนึ่งที่คนไม่ค่อยมองคือว่า บางทีสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยก็คือความคิดเนี่ยมาจจะเกิดจากการที่มีอะไรบางอย่างเนี่ยมาหย่อนลงไปในหัวของเราก็ได้สิ่งนั้นคืออะไรสินั้นคือกิเลสเนะกิเลสเนี่ยหรือว่ามาเนี่ยบางทีมันก็มาหย่อนมาวางความคิดใส่หัวของเรา แล้วเราก็ไปหลงเข้าใจพิว่าเนี่ยคือความคิดของเราความคิดของเรานะและความคิดที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีดนะอาจจะเป็นความโลภอาจจะเป็นความโกรธนะอาจจะเป็นความมุ่งร้ายเนะี่ยที่ทางพระเรียกว่าการมวิตตกนะวิหิงสายวิตตกพยาบาทวิตตกเนี่ยไอย้พวกนี้เป็นอกุศล ท, ทั้งนั้นเลย น, นะ ในเวลาที่เราเผลอเนี่ยนะนะกิเลสมันก็จะมาวางหรือมาหย่อนความคิดลงไปในหัวของเราเหมือนกับนกกาวาวเนี่ยมาวางไข่เวลาเจ้าของรังนี้เผลอเนี่ยหรือไม่อยู่ในยามที่เราขาดสติสติไม่อยู่กับจิตใจหรือว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย กิเลมก็มาวางไข่นะความคิดในหัวของเรามันไม่ใช่แค่ความอยากได้นะอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ความโกรธอยากทำร้ายอยากต่อว่าด่าทอเขาเท่านั้นมันจะมีความเพียงอื่นก็ได้นะเช่นเวลาเราจะทำความดีเช่นทำสมาธิเจริญสติออกกำลังกายมันก็จะมีความคิด เปิดขึ้นมาว่าโอ้ยเอาไปทําวันหลังดีกว่าหรือว่าบางทีทําประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาจจะมีความคิดบางอย่างที่ถูกใส่ในหัวของเราว่าเนี่ยกูเก่งกูแน่แล้วก็ไม่ใช่แค่ยกตนอย่างเดียนะข่มท่านดูถูกคนอื่นบางครั้งเราเนี่ยมันถูกย้อนในในหัวของเราด้วยอำนาจของกิเลส แล้วเราก็ไปคิดว่าเนี่ยคือความคิดของเราความคิดของเราก็อุตสาหเลี้ยงดูทะนุถนอมฟูมฟักความคิดเหล่านี้พอไปลองเชื่อมเป็นความคิดของเราความคิดของเราแล้วก็ปล่อยให้มันช่างนำเรานะไปในทางที่ผิดที่พลาดแต่บางทีมันก็มีความคิดอื่นที่ดีกว่านะหรือว่าที่เป็นกุศลกว่าเนี่ยขึ้นมาเช่นเวลาเราอยากจะ อยากได้โนอโนได้นี่ยอยากจะไปซื้อโน้นซื้อนี่ทั้งที่มีเยอะอยู่แล้วมันก็ จ, จะมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเนี่ยเรามีมากพอแล้วของนี้ไม่จำเป็นแต่ว่าก็จะถูกนะความคิดที่กิเลสมาหย่อนเราไว้ในหัวเนี่ยมันกบจัดเหมือนกับว่าเช่นเดียวกันเวลาเรามีความโกรธเรามีความมุ่งร้ายอยากจะตอบโต้ ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเนี่ยให้อาภัยก็ไปเธอเราไปทำอย่างงั้นนี่เราก็เดือดร้อนเองแต่ความคิดแบบนี้มันก็จะถูกเจ้าตัวโกรธเนี่ยมันขับไล่สส่งหรือว่าผลักออกไปจากหัวของเรามันจะมีข้ออ้างมากมายนะบอกว่าเฮ้ยต้องสั่งสอนมันให้อาภัยมันไม่ได้เราต้องสั่งสอนมัน นะต้องทายมันเจ็ดหรือเข็ดลาบนะความคิดที่ดีๆเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยก็ถูกตีตกไปนะก็เหมือนกับไอ้รูปนกเกาวาวลาเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะกำจัดไข่ฟองอื่นเพราะว่าเป็นคู่แข่งของมันนะนะพยายามผลักออกไปจากให้ตกจากหลังบางที ลูกนกไม่ได้ทำนะตัวตัวแม่เนี่ยนะทำเองเลยนะพอมาวางไข่เสร็จหรือก่อนจะวางไข่ของตัวเองเนี่ยนกกาวเานี่ยมันก็จะผลักไข่ของนกเจ้าของรังลงไปจากรังตกแตกจนเหลือแต่ไข่ของมันและนกเจ้าของรังก็เลยคิดว่าเนี่ยนี่ลูกของฉันไข่ของฉันไข่ของฉัน เราก็ต้องระวังนะบางทีกิเลสหรือมาเนี่ยมันมาหย่อนความคิดลงมาในหัวของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปสำคัญผิดว่าเป็นของเราของเราความคิดของเราความคิดของเราเราก็เลยปกปักรักษามันหัวแงแหง็งทนนุทนอมใครมาขัดขวางนะก็ไม่ได้ต้องราวีกันหรือมีความคิดอื่นที่มันมันมาทักท้วงนะ ไอ้ความคิดเดิมที่กิเลสมาหย่อนเอาไว้มันก็จัดการเลยนะจัดการความคิดที่ดีเดหล่านั้นให้มันหายไปอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ทันนะเราเผลอฉนั้นต้องระวังนะไอ้สิ่งที่ในหัวเราเนี่ยที่เราไปสำคัญเผื่อเป็นความคิดของเราความคิดของเรามันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความคิดที่ กิเลสหรือมาเนี่ยย่อนเอาไว้ในหัวของเราเพื่อคือเราถูกมันหลอกนะแล้วก็หลงเชื่อมันแล้วก็ไปไปมาก็เสียผู้เสียคนเพราะมันนะเพราะนี่เนี่ยอย่าไปเอ า, เอานกกาวาวมาสอนใจเรานะว่าเนี่ยเราต้องอต้องระวังด้วยเพราะว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่มันมีพฤติกรรมเหมือนนกกาวาวนะที่ทํากับจิตใจของเรา